คำนี้เราได้สวดบทพิเศษนะซึ่งให้ข้อคิดน่าพิจารณาทั้งสองแง่ก็คือสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ควรละเว้นสิ่งที่ควรทำก็ก็คือสิ่งที่พพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะ ใครๆก็อยากได้มงคลนะมันมีคำว่าสลิดมงคลนะเวลาไปวัดก็อยากจะให้หลวงพ่อท่านพรมน้ำมนต์ให้นะจะได้เป็นสริดมงคลหรือว่าให้วัตถุมงคลนะหรือเครื่องรางของขลังเพราะเชื่อ ว, ว่าจะทำให้เกิดมงคลแก่ชีวิต รวมไปถึงการนิมนต์พระไปฉันที่บ้านเพื่อเป็นสลิปมงคลสลิปมงคลที่พูดถึงเนี่ยนะมันต่างจากมงคลอันสูงสุดที่เราเพิ่งได้สาธยายมงคลอันสูงสุด38ประการเนี่ย้แล้วแต่เป็นเรื่องของการที่เราลงมือทำไม่ใช่ขอหรือมีคนให ตั้งแต่การไม่คบคนพาลนะการครบบัณฑิตนะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเนี่ยการมีศิลปะวิทยาพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองส่วนสิริมงคลที่ยกตัวอย่างมาสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คาดหวังให้คนอื่นทําให้เราสิ่งที่คนอื่นทําให้เราเนี่ย แม้ผูดนั้นจะเป็นครูบาจารย์จะเป็นพระริยเจ้านะมันก็ไม่ประเสริฐเท่ากับความดีที่เราทำโดยตัวเองนะคนไทยทุกวันนี้เนี่ยไปรอสิริมงคลจากผู้อื่นนะจากครูบาจารย์นะจากภรริยเจ้าก็มียิ่งถ้าได้อะไรที่มันเป็นปรูปธรรมเช่นวัตถุมงคล พักเครื่องหรือว่าสายศีล น, น้ำมนก็ยังดีนะก็ถือว่ า, อาพอใจแต่ว่าสราชาพูดแล้วเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ประเส ร, ริฐเท่ากับมงคลอันสูงสุดที่เกิดจากการทำความดีด้วยตัวเองนะต้องแยกให้ถูกนะน้ำมน ที่ได้รับจากครูบาอาจารย์นี่มันไม่ประเสริฐเท่ากับหยาดเหงือนะที่เกิดจากการที่เราได้ทำความดีเช่นได้เดินจงกรมได้ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นไปปลูกป่าไปสงเคราะห์ผู้อื่นเป็นจิตอาสาหรือแม้กระทั่งการทำงานในครัว นะถ้าเจ้ า, าจพุทธท่านบอกว่าเนี่ยเหงือนะ่อนะหยาดเหงือ่อน้ำเหงื่อเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าน้ำมนต์เสียอีกนะเพราะว่ามันเกิดจากการลงมือทำด้วยความเพียรอันน่าจะเป็นบุญอย่างแท้จริงเดี๋ยวนี้เราไปรอคอยน้ำมนต์นะจาก ผู้อื่นจนกระทั่งไม่ทำอะไรเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นอันตรายมากเพราะว่าขาดความเพียรกลายเป็นผู้ประมาทไปซึ่งมันสวนทางกับคติคุณธรรมของชาวพุทธคุณธรรมชาวพุทธ เ, เราไม่รอคอยโชคชะตานะเราไม่รอคอยโชคนะ แต่ว่าลงมือทาศาสนาพุทธเป็นศาสนาของความภาพเพียนพยายามบางทีก็มีชื่อว่าวิริยะวาทีนะวิริยะวาทีก็คือว่าคาสอนที่ในเรื่องความเพียนพระพุทธเจ้าถึงตัดเองว่าบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียนเพียนทำสิ่งที่เป็นมงคลกับตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้างครอบครัวญาติพี่น้องชุมชน จนถึงสังคมวงกว้างอันนั้นแหละคือคุณธรรมของชาวพุทธนะสิ่งที่เป็นส่วนสิ่งที่เป็นสิริมงคล น, นั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าจะพึ่งพาไม่ได้เพราะจริงๆเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าคนที่พร้มโนมนให้เนี่ยนะเป็นคนดีจริงหรือเปล่านะข่าวคราว เรื่องเน้นคํานะเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ชี้เห็นว่าถ้านะคนที่เราหลงเชื่อว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันตะ์แล้วก็คิดว่าถ้าท่านได้มาเหยียบบ้านจะเป็นสลีปมงคลนะบอกเว่ามันไม่ใช่สลีปมงคลเลยนะมันกลับกลายเป็นว่าถูกหลอกลวง ไอ้สลิดมงคลที่คาดหวังจากคนอื่นที่เชื่อว่าเป็นพระริยาเจ้านี่เป็นความเสี่ยงนะใครที่ไปอรอสลิปมงคลแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเหยื่อของพวกสิบแปดมงกุฎได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกสิบแปดมงกุฎนะพวกวิชาชีก็อ้างนะอ้างสร้างภาพเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะ มีการปล่อยข่าวลือสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อปั่นภาพลักษณ์ของตัวให้กลายเป็นผู้พิเศษหรือว่าเป็นหนึ่งภาะรยิยเจ้าแล้วคนก็หลงเชื่อกันนะเสร็จแล้วก็กลายเป็นเหยือ่อนะไม่ได้สริดมงคลเลยนะได้แต่กลายเป็นว่าเจอความสวยเข้าไปไม่ได้โชคนะแต่ว่าสวยอันนี้เพราะว่าไป ไปรอหวังพึ่งสลีปมงคลแบบนี้นะซึ่งเองนิมก็โยงไปถึงข้ออีกข้อนึ่งนะก็คือข้อที่ควรละเว้นนะเมื่อกี้พูดเรื่องข้อที่ควรปฏิบัติได้แก่มงคล38ิอ่ะซึ่งเลิศกว่าสลิปมงคลที่เราเชื่อกันข้อที่ควรละเว้นก็คือว่าอย่าเป็นคนเชื่อง่ายอนะาลามาสูตรนะสิประการเนี่ย นะเป็นเป็นข้อที่เตือนใจให้เราละ เ, เวน้นนะอย่าเชื่อเพียงเพราะนะเพราะอะไรก็มี10ประการซึ่งถ้าจะแยกแล้วถ้าจะจัดหมวดหมู่ก็มีอยู่3หมวด3ประเภทอย่าเชื่อเพียงเพราะข้อแรกเนี่ยหรือหมวดแรกเป็นเรื่องของกระแสเช่นอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นเสียงเล่าลือนะเพราะว่า ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพราะว่าได้ยินฟังเพราะได้ฟังตามตามกันมานะอันนี้เป็นเรื่องของกระแสเป็นเรื่องที่คนหมู่มากเขาพูดกันถ้าคนหมู่มากพูดหรือล่ําลือกันมันไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงนะที่ล่ำเลือกกันก็ล่ำเ ล, ล, ลือผิดผิดก็มีนะอย่างที่ล่ำเลือว่าเนรธรรมนี่เป็นพาลรหันนี่ก็ล่ําลือนไปหลายที่หลายแห่งนะ คนก็เชื่อเพราะว่าคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดนะได้ยินมาหลายคนพูดนะก็เลยเชื่ออันนี้เรียกว่าไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะไม่ได้ปฏิบัติตามาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่รงสอนว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเล่าลืออย่าเชื่อเพียงเพราะ ถือสืบต่อกันมาอันนี้หมายถึงประเพณนี้ด้วยก็ได้ไม่ได้แปลว่าไม่เชื่อเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องเชื่อเลยไอ้เสียงเล่าลือแต่ว่าจะเชื่อเพียงเพราะมันเป็นเสียงเล่าลือนะต้องใช้สติปัญญาหรือวิจารณญาณ น, นะไม่ได้แปลว่าเสียงเล่าลือนี้ผิดหมดอาจจะถูกก็ได้แต่ที่ผิดก็มีไม่น้อย เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเขาพูดพูดกันนะอันนี้เรียกว่าอย่าเชื่อตามกระแสนะอันที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่มาหรือว่าต้นตอเช่นอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูของเรานะเชื่อว่าเพียงเพราะเป็นครูของเราก็ไม่พอนะ เพราะว่าครูของเราถึงแม้เก่งแค่ไหนก็พลาดได้สี่เท้ายังรู้พลาดนักปรายยังรู้พลังจะเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูของเราเเรื่องก็ยกเรื่องเน้นคำอยางเหมือนกันเพราะว่าการที่หลายคนที่เชื่อเน้นคำเป็นพระรหัส น, นี่ส่วนนึงก็เพราะว่ามีครูบาอาจารย์บางท่านรับรองนะครูบาอาจารย์ บางท่านนะก็อาจจะมีความรู้นะแล้วก็อาจจะเชื่อว่ามีมียานนะพอครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่นนี้บอกว่าเน่งคําเป็นผ้ารหัเอาก็เชื่อแล้วเสียแล้วเป็นไงนะก็เสียผู้เสียคนกันเป็นแถบเป็นแถวนะเสียตั้งแต่ครูบาอาจารย์ไปถึงลูกศิษย์เลยนะที่ไปรับรองเน่งคํานะ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้พูดเป็นครูเนี่ยก็อาจจะผิดได้นะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผู้พูดเป็นครูเนี่ยจะผิดเป็นหมดนะก็อาจจะถูกเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเรานี่ก็แม้มีศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ต้องรู้จักใช้สติปัญญาพิจารณาเพียงครูบาอาจารย์บอกว่าองค์นั้นองนี้เป็นพระอรหรันต์เราก็อย่าเพิ่งเชื่อ ก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองนะที่จริงถ้าศึกษาด้วยตัวเองฟังจากคำบรรยายก็อาจจะรู้สึกทำแม่งทำแม่งว่าเอ๊ะใช่หรือพระอรหันต์นะเพราะว่าดูฟังดูแล้วนี่นะภูมิธรรมก็ไม่ถึงแล้วก็พูดแต่เรื่องการทำบุญให้ทานนะอันนี้ก็เริ่มก็บางคนก็จะเริ่มทำแม่งแล้ว อันนี้เรารู้จักใช้สติปัญญาของตัวเองด้วยอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นหรืออ้างอิงจากตํารานะตำราหรือคำภี์ก็ผิดได้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะถูกหมดนะบางทีในพระไตรปิฎกนี่ผิดเลยนะ mm hmm. เมื่ออย่างเช่นมีพบว่าการแปลข้อความบางข้อความในในพระไตรปิฎกเนี่ย มันผิดอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยแต่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดมากจนกระทั่งมีบางท่านเชื่อว่าสิกขาบทของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเพียงแค่1้อยสิกขาบทนะเราเคยได้ยินมาว่าวินัยของพระมี227ใช่ไหมเดีย๋ยวนี้มีจานวนไม่น้อยนะทั้งพระทั้งโยมเชื่อว่าไม่ถูกที่จริงมีแค่รยหาถามมาลู้มาอย่างไงอ้างจากไหนก็อ้างจากพระเตบิดก ฉบับสยามรัฐนะก็บอกว่ามีมีพระสูตรตอนหนึ่งก็เรื่องของพระรูปนึงบอกว่าจะทูลลาสิกษาแล้วเพราะว่าไม่ไหวเนื่องจากมีสิกขาบทเยอะเหลือเกินคือ150ข้อในพระไตรปิฎกตอนนั้นแปลว่า150ย้ทวน150ย้ทวนไอ้คำว่าท้วนเนี่ยคือปัญหา เพราะจริงๆเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีซึ่งผู้รู้ก็แปลว่ากว่าไม่ใช่ท่วนท่วนคือ only นะกว่าแปลว่าโมอันนี้พอพอไปเชื่อพระไตยบิดกซึ่งแปลผิดเนี่ยก็เลยเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยเวลาสวดปฏิโมกก็เลยสวดแค่150ยหกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าทางฝ่ายเทรวาสเรานี่ถ้าจะสวดก็ต้องสวด22่ข้อ อันนี้พระไตปิฎกก็ผิดได้นะแต่ที่ผิดไม่ใช่เพราะว่าอของของแท้หรือต้นต่อผิดนะแต่ว่าแปลผิดซึ่งก็มีอยู่มากนะนั่นจะอ้างตำราทีเดียวก็อ้างไม่ได้นี่คือ ร, ระตรปิฎกนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องหนังสือหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นว่าอย่างนี้หนังสือพิมพ์ฉบับโน้นว่าอย่างนี้เราอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเพิ่งเชื่อนะบางทีเขาให้สัมภาษณ์คนนู้นให้สัมภาษณ์คนนี้ให้สัมภาษณ์ อย่าพิ่งเชื่อแม้ว่ามันจะเป็นลายลักษณ์อักษรนะบางทีบางคนไปดูแค่หัวข่าวพาดหัวข่าวพอไปดูพาคหัวข่าวก็เชื่อเลยพอไปอ่านเนื้อความในข่าวโอ้เป็นคนละเรื่องเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะอันนี้ก็สอนรับกับที่พระเจ้าได้เตือนมาสองพัรปีแล้วนะว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างจากตำราหรือคำภีนะ ขนาดสวดปฏิโมนี้ยังมีต้องมีการทานกันเลยนะสวดปฏิโมมตั้งแต่ 2,600 ปีแล้วต้องทานกันนะก็คือว่าพระผู้สวดก็สวดไปส่วนอีกรูปหนึ่งต้องอ่านเช็คจากหนังสือว่าตรงไหมเป็นการทาน2ฝ่ายบางทีหนังสือผิดแต่ว่าถ้าถ้ามีการสวดก็จะรู้ว่าอ๋อหนังสือผิดหรือบางทีผู้สวดผิดหนังสือถูก มันก็ทานกันได้ในทางฝ่ายพระเราเนี่ยเทระว่าเราเราค่อนข้างจะเข้มงวดมากเรื่องนี้นะแม้กระทัก็ยังผิดอยางนะมันก็ยังมีผิดตกตกล น, นก็ต้องแก้กันถึงมีสังขยนาเนี่ยว่าไตไปดกเจ็ดแปดครั้งแล้วนะอันนี้มันแสดงเห็นว่ามันตำราเนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้ทีเดียวเพราะมีความผิดพลาดอันนี้เป็นธรรมดาของมนุษย์ นอกจากอยากเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูของเราอย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างอิงอ้างอิงกตำราแล้วนะก็อย่าเชื่อเพียงเพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือบางทีดูสงบสํารวมนะดูสงบสํารวมพูดจาเพราะคุณโยมโยมจะโยมจ๋านี่อย่าเพิ่งเชื่อน ะ, อะบางทีมีปัญหาเป็นกันถูกหลองมาเยอะแล้วเพราะแบบนี้หรือว่าบางทีเพียงแค่ห่มจีวรมา มามาขอเงินโยมจะไปสร้างวัดอะไรเนี่ยโยมเห็นเออเห็นหมจีวรก็เชื่อละนี่ไม่ได้ต้องต้องดูมากกว่านั้นคําว่ารูปลักษณะน่าเชื่อถือยังมีความหมายอีกแง่นหนึ่งนะเช่น ว, ว่าเอาคนบางคนอาจจะอะมีกิติศัพท์มีความประพฤติที่ไม่ดีนะ เป็นตัวนผู้รายก็ได้หรือเป็นนักการเมืองที่คอร์รัปชันนะพอเราได้อยู่ในฟังเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยเราเชื่อเลยว่ามันต้องทำอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นคนไม่ดีนะมีข่าวลือเกี่ยวกับคนนั้นมีข่าวลือเกี่ยวกับนกักการเมืองคนนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับคนคนนี้ซึ่งเคยขโมยของเคยเป็นโจรมา มีขาวไม่ดีเกี่ยวกับเขาเราเชื่อทันทีเลยเพราะว่ารูปลักษณะของเขาเนี่ยหรือว่าความเป็นมาของเขาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถืออาจจะผิดก็ได้นะนะอาจจะผิดก็ได้อย่าดูเพียงแค่รูปร่างหน้าตามันต้องดูว่ามีเหตุมีผลมีที่อ้างอิงัหมมีหลักฐานไหม อันนี้หมวดที่สองนะหมวดแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นกระแสคนหมู่มากผู้สืบสืบต่อกันมาเล่าลือกันปฏิบัติการสืบกันมาอันนี้อย่าไปอย่าเพิ่งเชื่อและสองอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะต้นต่อนะเป็นครูเป็นตำราเป็นคำภีรหรือว่าลักษณะน่าเชื่อถืออันที่สามก็คืออย่าเชื่ออันนี้สําคัญมากนะอย่าเชื่อความคิดของเรา อย่าเชื่อด้วยการอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะมันเข้าได้กับความเห็นของตัวนะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าตึกต้องตามอาการตามเหตุตามผลนะอันนี้พูดให้ง่ายๆนะที่เราสวดมาเมื่อสักครู่เนี่ยฟังยากนะ แตที่จริงก็แปลไม่ค่อยถูกในบางตอนด้วยอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นมีคนหนึ่งเข้าไปในกุติของเราหรือเข้าไปในห้องของเราอาจจะเป็นคนงานเป็นคนใช้คนทำความสะอาดเสร็จแล้วเราพบในเวลาต่อมาว่าแหวนเพชรของเราหาย เราก็สรุปทันทีแล้วว่าคนนี้เอาไปเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่หายพอเขาเข้าไปแล้วหลังจากนั้นมันหายใช่ไหพิจารณาโดยตามหลักเหตุผลตามหลักตรร ก, กะนี่ไอนี่ขโมยแน่อย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะอาจจะไม่ใช่ขโมยก็ได้คนไปคนมาอ้อแหวนมันตกอยู่หลังหลังเตียงในซอกบางทีหนูเอาไปก็มีนะ อาตมาเคยนัเนี่ยอยู่ที่ศาลาน้ำเนี่ยนะก็เปิดประตูโล่งไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการล็อกไม่มีการปิดทั้งสิน้นไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาอ้าไม่ใช่ชาย ส, สายๆบกกัว่าไอ้เครื่องคอมพิวไอ้แฟลชไดรฟ์หรือว่าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลนะเขาเรียกแฟลชไดรฟ์ ive, มันหายก็เริ่มคิดแล้วไอ้แคลไปนะเริ่มจะสอบถามแล้วว่าก่อน ก่อนที่จะรู้ว่าหายเนี่ยมีใครเข้ามาในสาราน้ําหรือเปล่ามันเริ่มเริ่มเริ่มสแกนแล้วนะเริ่มเริ่มคิดแล้วนะแต่ใจนึงก็คิดว่าเอ้ยอย่าไปด่วนสรุปว่ามีคนเอาไปนะต้องเผื่อใจไปก่อนว่าอาจจะไม่ใช่คนเอาไปก็ได้เช่นเราอาจจะวางไว้ไม่ถูกที่เราอาจจะลืมวางไว้บางแห่งนะต้องดูให้ทั่วก่อนจะเพิ่งไปสรุปว่ามีคนเอาไป พอโทรศัว่ามีคนเอาไปเราก็จะเริ่มเริ่มเล่เริ่มมองว่ามีภาพรูปไหนมาคนสุดท้ายมีโยงคนไหนเข้ามาในสารานามคนสุดท้ายยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อไม่ยังไม่สรุปสุดท้ายก็พบว่าหนูเอาไปหนูมันเอาไปมันฆ่าไปแล้วมันก็ไปวางมันก็ไปซุกไว้ใต้หลังหลังหลังตู้นะหลังตู้เซฟหลังตู้ตู้เหล็กะ่ะ ซึ่งมันเป็นที่ที่หนูเนี่ยชอบเอาพวกขยะพลาสติกต่างๆมาสูบนเป็นหลังของมันนะไปเจอเห็นหลักฐานชัดเจนว่าหนูเอาไปนะอันนี้ก็เลยมันก็เลยสอนใจนะเออดีแล้วนะที่เราไม่สรุปก่อนว่าเป็นคนเอาไปไม่สรุปว่าเป็นขโมยถ้าว่าเป็นขโมยนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเราก็จะเริ่มมองแล้วคนนี้เอาไปมไหมคนนี้ดูท่าทางนี่มีพิรุษ น, นะ ปกติเขาก็ไม่มีพิรุธอะไรนะพอเราสูว่ามีขโมยนี่ <c oughs> เราก็จะเริ่มเห็นความพิรุธของเขานะแล้วเราก็จะเริ่มมองเขาในแง่ล้ายทั้งนั้นที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่นี่เราลงเชื่อความคิดของเราซึ่งเกิดจากการพิจารณาตรึกตรองตามอาการตามหลักเหตุผลไม่ใช่เหตุผลทางปรัชญานะอย่างที่ส่วนเมื่อกี้นี้ไม่เป็นต้องเป็นเหตุผลทางปรัชญาหรอก เป็นเหผลในหัวของเรานี่แหละว่ามันมีคนเข้ามาในกุฏิเข้ามาในสาลาน้ําแล้วหลังจากนั้นของก็หายไปนะตักกาแบบนี้ก็สรุปว่าคนนั้นต้องออกไปซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่นะแล้วในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่จริงๆเป็นหนูอไปใครจะคิดนะว่าเป็นหนใช่ ไ, ไหมแต่มันเป็นไปได้นะนั่นอย่าไปอย่าไปสรุปตามอาการอย่างเดียว มีคนหนึ่งถูกปล่อยจากคุกนะเนื่องจากค้ายาหรือติดยาหลังจากนั้นก็ไม่นานโทรศัพท์ก็หายในบ้านล้วแวกเดียวกันเงินก็หายชาคนที่ไม่ใช่หลักกรารมรูนะก็จะสรุปเลยว่าไอ้คนนี้เอาไปมันเพิ่งออกจากคุกมาใหม่ๆ แล้วของก็หายไปนะมันติดยาด้วยนะถามว่าสูตรแบบนี้ถูกไหมยังไม่ถูกนะอันนี้เป็นการสรุปตามตามเหตุผลตามหลักหรือตามอาการอย่าไปเชื่อนะบางทีคนที่เขาถูกปล่อยจากคุกมาเขาก็ประพฤตกลับตัวกลับใจก็เป็นคนดีแล้วแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นนี่เขาซวยเลยนะเาซวยทุกทีเลย หลายคนที่ติดคุกมาแล้วเนี่ยต้องกลับเข้าคุกใหม่เพราะว่าคนไม่ไว้ใจมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็เ อ, อะอะว่าเขาทำเขาก็เลยรู้สึกว่าฉันนี่ทำดีไม่ได้ทำดีไม่ขึ้นออกจากคุกมาตั้งใจจะเป็นคนดีแต่ปรากฏว่ามีเรื่องอะไรขึ้นมาทุกคนก็ชี้หน้ามาที่กูหมดนั้นอย่า ก, กันนั้นเลยเป็นคนดีไม่ได้ก็เป็นคนชั่วเสร็จเลย ก็เลยกลับเป็นคนชั่วใหม่ปล้นไม่ใชปล้นขโมยขายยาเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปติดคุกหลายคนที่ออกจากคุก ม, มาแล้วต้องเข้าคุกใหม่เพราะว่าคนไม่ให้โอกาสสังคมไม่ให้โอกาสเพราะว่าตราหน้าว่าไอ้นี่เป็นคนชั่วเวลามีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นก็จะโทษเขาอันนี้เพราะผู้คนไม่ใช้หลักการมาร์สูดผู้จ่าเตือนไว้แล้วว่าอย่าเชื่อ เพียงเพราะการอนุมานหรือเพราะการคํานึงคํานวณตามหลักเหตุผลหรือหลักหรือตรก ร, ตร ก, กะนะบางทีคนที่ทําที่ดูรูปที่ดูน่าเชื่อถือสูภาพเรียบร้อยอาจจะขโมยก็ได้นะให้คนที่เป็นคนที่เคยติดคุกมาหน้าตาโทรมโทมผมเผปายาว อาจจะเป็นคนดีก็ได้นั่นอย่าดูที่ลักษณะอาการหรือว่าการสรุปของเราความคิดของเราเหตุผลของเราบางทีมันก็ผิดนะแต่มันหลอกเราได้อย่าเชื่อความคิดของเราแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราคิดตามเหตุผลมีผู้หญิงคนหนึ่งไลฟฟังนะแกชื่ออ้วนแกก็เล่าว่า วันหนึ่งอ้วนกับเพื่อนก็เดินอยู่บนสะพานข้ามถนนสะพานคนเดินข้ามอันนะตรงวงเวียนใหญ่ก็เป็นช่วงเวลาเช้าก็ไม่เช้ามากพอเดินไปสักพักอ้วนก็ชี้ให้เพื่อนดูมีแบงค์สามใบยอยู่ข้างหน้าประมาณสักสองสมเมตรสองเมตรได้ เป็นแบงค์พันสามใบอ้วนเห็นคนแรกและเชื่อเพื่อนดูเสร็จแล้วอ้วนก็บอกว่ามันไม่ใช่แบงค์จริงหรอกพอจะเป็นแบงค์จริ ง, ก, งก็ต้องมีคนหยิบเป็นละนะแต่เพื่อนเขาอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเขาใช้หลักการมาสู่หรือเปล่านะเขาเดินเข้าไป แล้วก็หยิบแบงค์นั้นมาเบอกว่าเป็นแบงค์จริงส0 0พันก็เลยเพื่อนก็เลยได้ส0 0พันไปฟรีๆเลยคนที่ชื่ออ้วนอดเลยนะเห็นคนแรกนะแต่ว่าเขาใช้หลักเหตุผลไงเขาใช้เหตุผลนะว่าถ้าเป็นแบงค์จริงต้องมีคนหยิบไปแต่การที่แบงก์ยังอยู่แสดงว่าไม่ใช่ของจริง ฟังดูมีเหตุผลไหมมีนะแต่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นแบงก์จริงแต่ที่ไม่มีคนเก็บก็อาจจะเป็นเพราะาไม่มีคนเห็นหรือว่าคนก็คิดแบบอ้วนเหมือนกันว่าเป็นแบงค์ปลอมเพราะถ้าเป็นแบงก์จริงต้องมีคนเก็บนะอ้วนก็เสียดายนะเป็นคนเห็นคนแรกแต่อดแต่ว่าเพื่อนก็ใจดีนะแบ่งให้อ้วนพันห้า ไอ้เรื่องนี้นี่ก็ไม่ต้องเถียงกันนะว่าควรจะควรจะเอาเงินสามพันนี้เก็บใส่กระเป๋าหรือเปล่าหรือว่าควรจะไปทําอะไรสักอย่างเพื่อหาเจ้าของนะแต่เนี่ยเห็นไหมว่าเหตุผลของเราความคิดของเราเนี่ยแม้มันจะเป็นเหตุเป็นผลแต่มันก็ผิดได้นะอันนี้พระจอเตือนมาสองพหรอปีแล้วว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะคํานึงคํานวณตามหลักเหตุผลนะอย่าเชื่อเพียงเพราะการนุ่มาน อย่าเชื่อเพียงพระเข้าได้กับทฤษฎีหรือทิฏฐิความหมาของตัวอะไรที่มันเข้าได้กับทิฏฐิความหมาของตัวนี้ก็อย่าไปเชื่อเช่นเมื่อกี้ก็ได้ยกตัวอย่างคนที่เขาเป็นนักโทษเป็นคนที่เคยติดคุกมานะแล้วเราก็หลายคนก็เชื่อว่าคนที่เคยติดคุกมาเนี่ยไอ้พวกนี้นี่มันไม่มีทางกลับตัวกลับใจได้หรอกเพราะฉะนั้นเวลาได้ข่าวว่ามี การขโมยนะมีการปล้นมีเงินหายนี่ก็ชี้มือไปที่ชี้นิ้วไปที่คนที่คนคนนั้นทันทีเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเข้าได้กับทฤษฎีเข้าได้กับความคิดความเหงืตัวนะอันนี้เราก็อย่าเพิ่งเชื่อนนะหรือว่าเวลามีใครบางคนเขาดูซกมกนะแล้วก็มี คนหนึ่งพูดว่าคนนี้มันไม่ดีคนเนี้มันติดยาเนี่ยเราก็เชื่ออาจจะเป็นอา จ, จเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือหรือเราดูลักษณะอาการแล้วมันเข้าได้กับความเห็นของเราว่าคนแบบนี้นี่เป็นคนดีไม่ได้หรอกนะคนดีต้องสุภาพเรียบร้อยนะต้องพูดจาเพราะๆต้องผมสั้นนะต้องนุ่งขาวห่มขาวนะ มันก็ไม่แน่นะเพราะขนาดนุ่งหรือห่มเหลืองนี่ก็ยังหลอกเงินผู้คนไปมากแถมทำผิดกฎหมายนะแถมไปทำไม่ดีมีรักกับเด็กอายุไม่ถึงสิบห้าสิบหกเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่สรุปก็คือว่าอย่าไปเชื่อความคิดของตัวอย่าไปเชื่อความคิดของตัวเพราะว่าสิ่งที่เราคิดนี่อาจจะผิดได้ นี่นหลักกรารมาสูดเนี่ยมันเป็นหลักที่สําคัญมากที่ส่วนใหญ่ชาปุ้ดเนี่ยสอบตกนะเพราะว่าเราเชื่อข่าวลือได้ง่ายมากเลยตอนที้พระเจ้าก็บอกว่เวลาชาปุ้ดเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างนีน้คือไม่เชื่อมองคนตื่นข่าวนะไม่เชื่อมองคนตื่นข่าวนี่แต่ว่าเชื่อกันก็เลยถูกหลอกนะถูก18มงกุฎเขาหลอกนะให้เราต้องถามว่าถ้าไม่เชื่อแล้วทำยังไงก็ต้องใช้ วิจารณญาณของตัววิจารณญาณส่วนนึงเกิดจากการคิดเกิดจากการหาหลักฐานข้อมูลไม่เชื่อง่ายๆนะต้องหาหลักฐานมายืนยันหรือว่าต้องค้นหาแหล่งที่มาหาหลักฐานอีส่วนนึ่งเกิดจากการปฏิบัตนะิเพราะความคิดเนี่ยมันยังมันยังผิดได้นะความคิดยังผิดได้แม้จะเป็นความคิดของนักปราชญ์ก็ตาม ก็ต้องปฏิก็ต้องโดยพอใ เ, ป, เป็นเรื่องของของจิตใจเรื่องของธรรมะเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้เห็นกับตัวด้วยนะให้เห็นด้วยตัวเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อปฏิบัติเห็นกับตัวเองแล้วนี่ก็จะก็จะสามารถจะตัดสินได้ว่าสิ่งที่เราได้ยินหรือได้อ่านมานี่จริงไหมสิ่งที่ผู้พูดพูดมาจริงไหม อย่างที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะต้องพิจารณาด้วยตัวเองจากประสบการณ์ของตัวและจากการปฏิบัติสมัยที่หลวงพ่อเทียนยังอยู่นี่ท่านก็จะก็จะเตือนให้พวกเราอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะท่านก็จะอ้างหลักกรารมัธูตรหนังสือของวัสนาในนะสมัยที่หลวงพ่อเทียนอยู่ก็จะมีนะกรารมัธูตร10ประการ หนังสือคำบรรยายของหลวงพ่อเทียงก็จะมีก็จะมีแทรกนะว่าเรื่องการมรสูตรเพื่อเตือนไม่ให้เราเนี่ยไปติดยึดคำพีนะหรือว่าไปติดยึดกับความคิดที่เคยได้เรียนรู้กันมานะต้องปฏิบัติให้เห็นกับตาหรือรับรู้ได้ใจด้วยทางฝ่ายเซนนี่เขา เขาจริงจังกับเรื่องนี้มากนะถึงกับมีภาพว่าท่านไวหลางฉีคำภีนะฉีคำภีร์อันนี้ดูเหมือนน่าตกใจนะแต่ว่าท่านพูดให้ทําเป็นอย่างนี้เพื่อเตือนให้คนเห็นว่าอย่าไปยึด ต, ติดกับคำพีอย่าไปเชื่อคำภีร์ต้องอาศัยการปฏิบัติของตัวแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็อาจจะผิดได้เหมือนกัน บางคนเห็นแสงเห็นสีนะนักปฏิบัติหลายคนนี่เห็นแสงเห็นสีเห็นเห็นจิตของคนสว่างสวัยนะมีบางคนมามาบอกว่าจิตของตมาเป็นยังไงเนี่ยเขาเห็นชัดนะฟังที่เขาเล่าแล้วก็เ ด, ด่าว่าก็รู้ได้ว่าเขาเขาคิดขึ้นมาเองอาจจะเกิดจากนิมิตก็ได้มันผิดได้นะก็ต้องเช็คกับ ตำราตำราก็มีประโยชน์ตรงนี้นะมันต้องเช็คต้องทานกันเพิ่งตำลาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าตำลาก็อาจจะผิดต้องเอาประสบการณ์ส่วนตัวเข้ามาเทียบเคียงเหมือนกับเวลาอ่านปาติโมกเนี่ยตำราที่พระตรวจทานเนี่ยอาจจะผิดก็ต้องฟังเสียงผู้ที่สาธยายว่ามันตรงกันไหมนะบางทีผู้สาธยายสาธยายถูกแต่ตำราผิดหนังสือผิดก็มีนะ มันมันต้องมันต้องทานกัน2กระแส2 ส, ส่วนก็คือว่าเวลามีประสบการณ์ส่วนตัวก็ต้องจะเช็คก็ต้องเอาตำรามาเช็คว่ามันจริงไหมมันมีในตำราไหมนะตำรานี่คือพระไตรปิฎกนั่นแหละเพราะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการสอบทานกันมานานโอกาสผิดก็มีอย่างที่ยกตัวอย่างนะแต่ว่ามันน้อย พระถตรปิฎกก็มีคำพีที่จะมาสอบทานได้แต่จะใช้แต่คัมภีร์อย่างเดียวพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติให้เห็นด้วยตัวเองด้วยมันต้องทานกันไปทานกันมาเงี้ยนะจะจะไปยึดติดถือมั่นกับอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้จะไปยึดติดเอาประสบการณ์ส่วนตัวมันก็มีผิดมีเพี้ยนนักปฏิบัติหลายคนที่คิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์ก็มีเยอะ คิดว่าตัวเอเริยาจา ก, ก็มีเยอะนะถามว่าเขาหลอกไม่เขาไม่หลอกหรอกเขาเชื่อเขาเป็นเพราะว่าเขาเจอโน่นเจอนี่เห็นโน่นเห็นนี่นะแต่ว่ามันคิดเอาเองไงคิดเอาเองนะก็ต้องเอาพระตาไปดกเอาคําสอนของพระอาจารย์นี่มาตรวจทานพอตรวจทานก็จะรู้ว่าอ้ออันนี้เป็นวิปรรานะัาสนาเป็นวิปัสสนูนะก็ต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ อาแล้วก็พูดกันเท่า น, นี้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะหลังทำวัดอ่าก็จะมีการคุยประชุมกันหน่อยนะกับแม่ชีแล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติจำพรรษาในวัดนะาจะมีเรื่องที่มาพูดคุยแล้วก็ขอความร่วมมือกันหน่อยอาก็พูดกันเท่า น, นี้แหละ